จงมาอนมตนาบุญที่เราทำแล้วขอบูชาแด่พระรัตนตรัยบูชาแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมสการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพระราชากุศลให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระพรานามัยสมบูรณ์มีพระย์เกียรติคุณแผ่ภัศาล เป็นล่มโพล่มใสแก่พระสกนิกรชาวไทยปกปักคษาแผ่นผืนแผ่นดินนี้เพื่อรักษาพระศาสนาเอาไว้ให้ลูกหลานแผ่บุญกุศลไปไม่มีประมาณให้กับสัตว์โลกทั้งหลายบุญนี้ขอบูชาแด่คุณพ่อคุณแม่ทั้งในชาตินี้และอดีตชาติทุกๆชาติขออุทิศให้กับหมู่ญาติของเรา ทั้งในชาตินี้และอดีตชาติทุกพทุกชาติผู้ใดที่เราเคยล่วงเกินขอโทษแทนความล่วงเกินอันนั้นด้วยบุญอันนี้ให้ท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาบุญนี้ของดซึ่งเวรซึ่งกรรมที่เคยล่วงเกินกันไว้ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีทุกขเมื่อปรารถนาบุญอันนี้เพื่อความพ้นทุกข์ของท่าน จงมาอนุโมทนาบนอันนี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่สุคติสัตใดที่มีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายจะตั้งใจจะศึกษาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าศึกษาหลักการปฏิบัติแล้วนำมาปฏิบัติให้เห็นผลเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนตั้งใจอุทิศสมบูุศ์ยะาวริวาบุราปริปเรนติสากรัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บ ร, ริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิตโตตังเปตานังอุปกัปปติทานทีิทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะ น, นั้นอิจจิตังปฏิตังตุมหังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเปเมวสมิจจตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีชโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพวตุสัพพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันทุสัพปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน